สัมมาสมาธินำไปสู่การรู้ธรรมเห็นธรรมสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติเพื่อมุ่งให้จิตสงบเป็นสมาธิมีสติปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจรงิงตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าการรู้ธรรมเห็นธรรมเนี่ยรู้เห็นอย่างไรการรู้ธรรมเห็นธรรมนี่ เราจะสังเกตได้ง่ายๆเช่นอย่างสมมุติว่าจิตของเรามานึกถึงสิ่งที่เราเคยทำผิดทำความเดือดร้อนให้แก่ใครต่อใครมาพอมนึกถึงแล้วก็ได้ความรู้สึกขึ้นมาว่าสิ่งนี้มันไม่ดีเราเคยทำแล้วต่อมาเราไม่ควรทำอีกอันนี้คือลักษณะการรู้ทำเห็นทำคือรู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันผิดเมื่อมันผิดจิตก็ยอมรับพอยอมรับ จิตก็สอนตัวเองว่าเราไม่ควรทําซ้ําอีกแต่การรู้ทำเห็นทำในระดับอริยมรรคอริยผลท่านว่ารู้เห็นอริยสัจ ส, สี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรครู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้ว่าสรีระยนต์สกลกายของเรานี่เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดรู้ว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจิตมันยอมรับ อันนี้ก็รู้ธรรมเห็นธรรมเพราะฉะนั้นที่แน่แน่ที่สุดที่ควรจะสังเกตก็คือเมื่อจิตมันปรุงแต่งไปมันนึกถึงสิ่งที่เคยทำผิดต่อพ่อต่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ต่อบ้านต่อเมืองแล้วมันสานึกได้ว่ามันเป็นความผิดมันยอมรับแล้วมันก็เตือนตัวเองว่าต่อไปท่านไม่ควรทาอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่น ในตำรวจท่านหนึ่งไปบวชกับหลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าแสนสาราญอําเภอวารินจังหวัดอุบลที่วัดนั้นถือหลักการปฏิบัติสมาธิเหมือนกับของเรานี่แหละพอแกบวชมาแล้วก็พาแกนั่งสมาธิพอจิตสงบได้สมาธิแล้วแกก็ได้ความรู้สึกขึ้นมาว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดแต่จะชอจะโกงช่องโวที่จะทาให้เราชอบโกงรีดไถได้มันมีถมเถไป พอเรามาปฏิบัติสมาธิแล้วความรู้สึกอยากจะทำเช่นนั้นมันไม่มีอันนี้ก็เพราะจิตมันรู้จริงว่าสิ่งที่ทำมาแล้วมันผิดและมันก็ยอมรับความจริงเมื่อมันยอมรับความจริงแล้วมันก็ไม่ประพฤติชั่วเช่นนั้นอีกอันนี้คือลักษณะของการรู้ทำเห็นธรรม